Book two. 10. Chi. เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ I går, i dag, i m o r g n เมื่อวานเป็นวันเสาร์ I går var det lördag. เมื่อวานผมไปดูหนังวานนนี้เป็นวันอาทิตย์วันนี้ผมไม่ทำงาน อยู่บ้านใหญ่ปีกออเยยมพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีกพรุ่งนี้ผมทำงานที่สำนักานฉัทำงานที่สำนักงานฉันทำงานที่สำนักงา คนนั้นคือใครเป่แม่ดิคนนั้นคือปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตร์เป็นนักศึกษาพ e t e r ร์ออร์สตูดิอนคนนั้นคือใครเป่ ä ม่ดิคนนั้นคือมาตาเดอมาตา มาต t เป็นเลขานุกป็นเลขาหนุกาป็เรานมาตาเป็นเรานมาตาเ e ็น r ลขมาตาลขาหนุกเป็นเพื่อนกัน Peter ป็มป็เตเป็นเนรเป็นเขาหนลขาหมาตาเป็นเลนมขมาตาเป็นเนขปเตร